พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าแรงงานทางโลกแรงงานทางธรรม วันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช257ขึ้คนสามค่ำเดือนหกวันพระใหญ่เดือนหกเพ็นอีกไม่กี่วันก็เป็นวันวิสาขาบูชาเดือนนี้เป็นเดือนหกฟ้าฝนกำลัง พายุกำลังปั่นป่วนหลวงพ่อออกไปข้างนอกเมื่อวานนี้นั่งรถออกไปก็รู้สึกว่าเสาไฟฟ้าบ้างป้ายต่างๆบ้างต้นไม้อยู่ข้างทางบ้างรู้สึกว่าเก่งไม้ขาดกระจุยกระจายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มเพราะนั้นพวกเราจึงเท่าอยู่ในป่าเนี่ย สองวันที่ผ่านมาไฟฟ้าเราดับเป็นระยะยาวนานทีเดียวออกไปดูข้างนอกยึงรู้ว่าลมแรงแต่ในวัดของเราก็รู้สึกว่าเทพเจ้าเราเทวารักษาไว้ดูนะถ้ามันมาเข้าวัดของเราก็รู้สึกว่ามันจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะต้นไม้ในวัดของเรามันใหญ่แต่เมื่อวานออกไป พอพ้นวัดนะไปถึงบ้านนาคังของเราเนี่ยลมเขาอู้อๆอแต่อยู่ในวัดของเราเนี่ยเงียบเมื่อวานก่อนออกไปนะแต่หลวงพ่อออกไปแล้วอาจจะลมแรงก็ไม่รู้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคือทางประเทศชาติเขาหยุดให้กับ คนงานคนทํางานแต่ตามไม่จริงคนทุกคนก็ต้องต้องทำงานนั่นแหละถ้าไม่ทํางานจะทํายังไงมีตงแต่คนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนอยู่โรงพยาบาลอันนั้นเขาก็ยังทํางานอยู่นะจะว่าจะทําอะไรจะว่าทํางานหัวใจเขายังทํางานอยู่ยังเต้นตืบตับตืบตับตืบตับอยู่ถ้าหัวใจหยุดทํางานเมื่อไหร่ไปว่าวันนั้นคนตาย เพราะนั้นทุกคนร่างกายต้องทำงานแต่ว่าการทำงานคำนี้มันมีหลายระดับทำงานระดับไหนอันนี้ก็ต้องแยกแยะกันทำงานเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องแยกแยะกันอีกถ้าเราไม่แยกแยะว่าทำแรงงานแล้วก็จบนะก็รู้กันว่าแรงงานคืออะไรคือทา มาค้าขายทามาหาเลี้ยงชีพอันนั้นก็คือที่เรามุ่งมุ่งหวังหรือมุ่งมั่นหรือว่ามีจุดของชุมชนสังคมที่มองเห็นกันแต่ตามจริงการทำงานคำนี้นะมีหลายระดับถ้าปีกย่อยลงไปทำงานเพื่ออะไรนะนนเนี่ยนีต้องมีจุดมุ่งหมาย มีเหตุซะก่อนยังค่อยมีผลเหตุนี่ทำงานเพื่ออะไรผลนี่ผลเนเราต้องการอะไรในเมื่อเราต้องการเมื่อเราทำเหตุแล้วก็ผลที่ออกไปนั้นต้องการอะไรแต่บางคนก็ขาดความรอบครอบไม่ได้คิดให้รอบครอบการทำอะไรลงไปแล้วก็ผลมันออกมาทำให้ตนเองเดือดร้อน เมื่อภายหลังเพราะเหตุไรเพราะว่าขาดความรอบคอบอย่างเขาเอาเอกสารมาให้เราเซ็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ดูในรายละเอียด เ, เราก็เห็นว่าเขามาเห็นคนไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือว่าเห็นว่า เ, เราเห็นแก่มักไดเ้เราไม่ได้ทีทวนเราก็เซ็นลงไปพอเซ็นลงไปนั่นละทีนี้ เอกสารตัวนั้นก็มัดตัวเองเพราะว่าการทําลงไปขาดความรอบคอบผลที่สุดก็ตนเองก็เดือดร้อนเมื่อภายหลังแกเท่าไรก็ไม่ตกสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นทั้งหลายทั้งมวลอยู่ในโลกวัฏสงสารสรุปแล้วก็คือให้มีความรอบคอบให้ทีทุน่นพอสมควรอันไหนที่จะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายเราก็ต้อง คิดให้ดีจะก่อนยังค่อยทำในจุดนั้นต้องสร้างเหตุในจุดนั้นถ้าไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็ทำไปเพราะเราเคยทำมาอยู่แล้วเรื่องศีลเรื่องธรรมก็เหมือนกันเราทำไปเพื่ออะไรถ้าว่าตายแล้วศูนย์เราก็ไม่เห็นจะทำคุณงามความดีไปเพื่ออะไรถ้าว่าเราไม่มีวันพุ่งนี้เราจะทำงานหาเงินเก็บหอมลอมริบ ไปให้โง่าทาไมเราต้องใช้วันนี้ให้หมดเพราะเหตุว่าไม่มีวันพรุ่งนี้นี้ก็เหมือนกันาว่าเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีชาติหน้าเราจะรักษาศีลมาภาวนาอยู่ในป่านลวงพงไพให้โง่ทำไมเราทำไมไม่สนุกสนานเหมือนกับคนทั้งหลายทั้งปวงเขาเิ่งเหล่านี้เราต้องวิเคราะห์เราต้องใช้สติใช้ปัญญา การกรองไตรตรองเหตุและผลนั้ น, น, นอันนี้แหละมันมีหลายระดับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านการจะกระทําสิ่งใดก็ตามสร้างเหตุสิ่งไหนก็ตามเราต้องคิดให้ดีซะก่อนถ้าเราคิดไม่ดีสร้างเหตุที่ไม่ดีผลมันตามมาก็ไม่ดีถ้าเราสร้างเหตุ ด, ดีผลออกมามันก็ดีเพราะอะไรเพราะผลมันดี พอเราอ่านดูแล้วเหมือนกับเราที่เราจะสร้างคุณงามความดีเราก็ทํามาค้าขายสิ่งไหนเราก็คิดดูดูให้ดีซะก่อนเราจะค่อยทําในจุดนั้นถ้ามันเสี่ยงมากถ้ามันเสี่ยงมากเราก็ไม่น่าจะลงพราะมันเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปคืออะไร นี่แหละเขาไปซื้อหวยซื้อเบอร์เนี่ยถ้าซื้อมันก็ได้แต่มันถูกนะแต่มันเสี่ยงไหมโอเสี่ยงมากมากถ้าร้อยประตนะูมันมีร้อยประตูให้ออกแต่ประตูหนึ่งที่มันมันถูกต้องแต่ร้อยประตนะมูมันเสี่ยงเหลือเกินมันให้เขาให้ออกเพียงประตูเดียวนะ เ, เลือกแปดสิบแปดเกประตูเนะขาให้ออกประตูเดียวนะ มันเสี่ยงเกินไปถ้าเสี่ยงเกินไปถ้าเราไปเสี่ยงอย่างนั้นนั่นแหล ะ, อ, ะอันตรายเราก็ไม่น่าจะเสี่ยงถึงขนาดนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราจะไปมีแต่ความโลภอยากได้อย่างเดียวก็เป็นไปอย่างนั้นได้ยากทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเกิดมาในโลกสรุปแล้วก็คือให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบ อย่าไปใช้ความโลภโหงกระนะถ้าหากว่าคนที่มีความโลภมากเขามาต้มตุนอย่างไรเราก็ไปเชื่อเขาเพราะความโลภของเรามีในใจเราก็จ้อมเสียเปรียบคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมีความโลภอยู่ในใจถ้าคนไม่มีความโลภในใจเนี่ยถึงเขาจะมาพูดยังไงล่อลวงยังไงเราก็ต้องมาพิจารณาดูออืมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าที่เขาพูดเนี่ยที่เขา มาแนะนำเราเนี่ยมันเป็นไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องคิดให้ดีเพราะไม่มีเราไม่มีความโลภถ้าเรามีความโลภในใจแล้วก็นั่นะกินเหยื่อเขาเลยละ่ะพอกินเหยื่อเข้าไปก็ถูกเบ็ดเขาเลยทีนี้กว่าที่จะมาแก้ไขได้ เ, เท่าไหร่เพอเพอตายทิ้งเปล่าๆเพราะมันถูกเหยื่อเขาแล้วนะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนอย่าไปความอย่าไปใช้ความโลภมากแต่ต้องใช้สติใช้ปัญญาจากนั้นก็ทำงานหาเหตุเหตุผลในเรื่องการเป็นอยู่ของตนเองถ้าเมื่อเราใช้สติใช้ปัญญาแล้วถึงจะผิดพลาดก็ไม่ผิดมากเพราะอะไรเพราะเราคิดไปก่อนแล้ว เราคิดหาทางหนีทีไล่หาทางออกไว้แล้วก่อนที่เราจะทำจุดนี้อย่างนี้แต่ถ้าเราชลาใจมีแต่ความอยากอยู่ในจิตในใจพอมันถล่มเข้าไปแล้วนั่นแะแก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะเราขาดความรอบครอบเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นพิษภัยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านาให้สรุปแล้วก็อย่างในหลวงท่านพูดเศรษฐกิจพอเพียงจุดนี้แนะแต่คนทั้งหลายได้ยินใหม่ๆเขากา็ถอยหลังเข้าคลองฮนะน่าจะทำแบบกระตือรือรถกู้นี่ยืมสินลงทุน เป็นหนี้แล้วก็น่ะจะได้ทํามาค้าขายผลี่สุดไม่เป็นอย่างนั้นใชมันแจ้งใชเนเพราะสติเพราะปัญญาของเราเนี่ยมันขาดความรอบคอบมันแต่ไม่แต่ใช้แต่ความโลภโหโมกัะนะเข้าไปผลี่สุดมันสู้ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงนี่ยให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ หลวงพ่อบอกว่าให้รู้จักหาหมันในการหามันขยันในการหาพอหามาแล้วก็ให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้อุทธานะสัมปทานถ้าเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมัน่นความขยันอรคะสัมปทาเมื่อหาทรัพย์สมบัติหายศถาบรรดาศักด เมื่อเรียนหนังสือสอบได้ข้าราชการหรือพ่อค้าระดับไหนการทำงานระดับไหนถ้าเป็นที่พอใจเงินดีก้าวหน้าเราก็รักษาหน้าที่ตำแหน่งรักษาการงานการเงินของเราไว้ให้ดีอย่าไปให้เสียหายอย่าไปกินเหล้าเมาย า, ทยา เ, เที่ยวสมเรลเทเมาเป็นนักเลงหัวไม้จนถึงเขาไล่ออกจากการงานอันนี้แปลว่าไม่รักษา ไม่รักษาหน้าที่การงานไม่รักษาการเงินของตนเองการยาณมิตตาให้คบเพื่อนฝูงเพื่อนก็ต้องเลือกคบอย่าไปคบคนสมสุม้าอย่าไปคบคนเลวไม่ใช่ว่าเขาได้ยินและแค่และคายว่าเขารวยแต่เขาขายยาบ้ายา마อาชีพของเขาหรือว่ามิจฉายอาชีพอาชีพของเขาเล่าก่อนไปพบ เพราะเราได้ใช้จ่ายเงินกับเขาอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปนอนอยู่ในคุกไทตาลางพราเหตุไรเพลานั่งรถไปด้วยเขาเพราะเขาโกรธค้อนขึ้นมาเนี่ยรเราก็ต้องมีส่วนในการทำความชั่วของเขานั้นอันนี้เราว่ากันรยานามิตรก็ต้องเลือกครบอีกเหมือนกัน อ, อ, อาหารในสำรับกับข้าวของเราอยู่ในถ้วยของเราอยู่ในบาทของเราเรายังเลือกทา น, นไม่ใช่ว่าอยู่ในบาตแล้วจะทานทั้งหมดไม่ใช่ นี่ก็เหมือนการการอยู่ด้วยการของหมู่ของเพื่อน เ, อเพื่อนหญิงเพื่อนชายเราต้องเลือกคบอย่าไปคบคนไม่ดีสรุปแล้วถ้าคบคนไม่ดีทังหคบป่าประมิดมิรชั่วถ้าหาว่าคบ เ, าเพื่อนที่ดีกันระยะานาิรมิดที่ดีนี่แหละอันนี้คือ ก, การครบค้าสมาคมท่านก็ให้เลือกคบเหมือนกันนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านไม่ให้คบคนซุ姆สีส่ซุ姆ห้อย่างพระในพระพุทธศา ส, สนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ให้เลือกคบเหมือนกันบางบางกลุ่มไปคบกับพวกพระชั่วพระกลุ่มเทวทัตพระองค์ก็ตําหนิพระพุทธเจ้าก็ตําหนิทําไมหลักธรรมคําสอนก็มีอยู่แล้วอันไหนผิดอันไหนถูกทําไมพวกท่านจึงไม่เลือกไม่เลือกคบพระพุทธองค์ก็ตําหนิเหมือนกันขนาดพระนะท่านยังตําหนิ ไม่ใช่ว่าผ้าผ้าเหลืองเหมือนกันจะไปครบทีเดียวก็ไม่ได้พระที่เป็นอรัตชีก็มีพระมันมีฮิริโอตตะก็มีเพดัะ น, นั้นการเลือกการลบครบก็ต้องเลือกครบเหมือนกันอย่าว่ากันระยะนมิตรมิตรที่ดีสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงไปป้นไปฆ่าไปคดไปโกงไปขายสิ่งผิดกฎหมายมาเลี้ยงชีวิตของเรา มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเรามาเลี้ยงตระกูลของเราผลที่สุดเราก็เป็นคนเลวตระกูลของเราก็เลวไปด้วยเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตระกูลของเรามาสู่วงกงร า, ารของเรามาสู่วัดของเราอย่างหลวงพ่อนะสิ่งไหนที่มันเลวจะมันรวยแล้วก็ไปทาแล้วก็มาเลี้ยงลูกนอก้องมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนในวัดผลที่สุดพระเนในวัดของหลวงพ่อเลวไปด้วยอีกเหมือนกัน พ่อหลวงพ่อพาเร็วอันนี้ก็เหมือนกันสำ ม, มาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบถูกตามธรรมนองคลองธรรมถูกตามหลักพระธรรมวินยัยถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินสิ่งเหล่านี้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้รู้จักนี้หละว่าการเป็นอยู่การครองชีพ อุทานสัมปทาขยันอรคะสัมปท า, ปาให้รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติกัญญาณมิตรให้คบเพื่อนกัญยาณมิตรที่ดีสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่แหะหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้สรุปแล้วก็คือให้รู้จกักหาให้รู้จักเก็บเก็บคืออะไรเมื่อเราหามาได้เงินทรัพย์สมบัติของเราหาโดยความยากลําบาก เราต้องแบ่งต้องเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตวันพุ่งนี้เราจะเป็นยังไงถ้ามันไม่มีวันพุน่งนี้ไม่เป็นไรเอาใช้มันเลยเก็บไว้งโงท่ทำไมแต่วันพุ่งนี้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกบริวารของเราจะได้ใช้ไหมเวลาเจ็บไห้ได้ป่วยเราจะหาที่ไหนมาใช้ให้กับบริวารของเรา ที่เรารับผิดชอบนี่แหละเราเก็บไว้แต่จะไปถึงกับขี้ตะนีทีเหนียวอันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้เรารู้จักเก็บแล้วรู้จักใช้ใช้ก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนที่เราจะใช้เงินที่ได้มาโดยความยากลําบากบางคนใช้จนเพลินเป็นแม่บ้านคนนู้นไปซื้อพริกที่เขาปนแล้วไปซื้ออะไรเพราะในสุด พอมันเงินขาดมือดังนั้นแหะไม่รู้จะทํำยังไงทําอะไรก็ไม่เป็นเพราะตัวเองก็ใช้อิลุยชุยแฉกผลที่สุดก็ไปข อ, อกู้หนี้ยืมสินเอามาใช้พอกู้หนี้ยืมสินมาเสรไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปแทนเขาอีกผลที่สุดก็ไล่ออกจากบ้านครอบครัวก็แตกกระจุยกระจายเป็นคนละทิศละทางผลที่สุดก็เลยนะั่นแหะเป็นคนทุกข์ยากลําบาก ล, ลําเค็ญไปเลยทีน สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่การดูแลการบริหารจัดการตนเองต้องคิดให้ดีให้รอบคอบให้รู้จักขาและก็ให้รู้จกักเก็บและก็ให้รู้จกกัก ใ, จกใช้เ่ถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็นั่นแหละให้ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราจะราบรื่นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดมาอันนี้คือคดีโลกส่วนคดีธรรมนั้นคิดอย่างไร พวกเราควรจะคิดอย่างไรในคดีธรรมเพราะชีวิตของเราในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญเมื่อตายไม่สูญน่ยทำกรรมดีจะได้ดีทำกรรมชั่วจะได้ชั่วสรพรพสัตว์ทั้งหลายในโลกมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันเพราะกรรมจําแนกกรรมจาแนกถ้าใครใครทำกรรมดีไปเกิดในที่ดีมีรูปร่างเสร็จสวยงดงามหน้าที่ตาแหน่งก็ดี การบริหารทุกอย่งทุกอย่างเป็นไปในความเรียบร้อยราบรื่นเพราะกรรมดีให้ผลถ้ากรรมชั่วให้ผลเกิดมาก็นะขี่ลายขี้เล่หูหนวกตาบอดบ้าบาทุกจนอีกต่างหากหาข้าวจะกินก็ไม่มีเพราะหไหไรเพราะกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมกรรมดีไม่ควรจะสะสมกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกกรรมดีให้ผลเป็นสุข เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่พวกเราปัจจุบันนกรรมพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันทบทวนดูสิถ้าคนใดเรียนหนังสือเก่งมีปัญญาและก็ตั้งใจเรียนหนังสือดีเมื่อเขาจบออกมาเขาไปสมัครการงานได้ผลกรรมดีของเขาออมาตลอดมันก็ดีส่งไปเรื่อย แล้วก็สร้างคุณงามความดีไปเรื่อย ๆ, ด, ๆดีไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะเขาทําดีมาตั้งแต่เกิดแต่คนที่ขี้เกียจขี้ค้านเอาแต่ใจตัวเองเป็นเด็กเกเรอีกต่างหาก <ๆ S 2> ขี้เกียจเรียนหนังสืออีกต่างหาก <ๆ S 2> เป็นคนที่ชอบขโมยชอบไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหาก <ๆ S 2> พวกเราคิดดูสิคนเช่นนั้นจะได้ดีไหมเออ ยากเพราะอะไรเพราะว่าการกระทำของเขานะั้นไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็คือปัจจุบั น, นกรรม อ, อ, อดีตกรรมอีกต่างหากนะ เ, เราทำกรรมดีไว้ในอดีตกรรมอดีตจะให้ผลแต่เมื่อเราทำดีในอดีต เ, เราก็จะได้รับผลในชาตินี้เพราะนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาพบนิชาตินี้อย่างลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละเดี๋ยวนี้ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นของหลวงพ่อ น, นั่นเป็นหลักธรรมคำสอนให้พวกเราอ่านศึกษาดูซิถ้าพวกเราไปอ่านไปศึกษาก็จะใช้เวลาแต่บัดนี้พวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงตากขาเห็หลวงพ่อเนี่ยพูดให้ฟังลูกหลานเอ่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหลักธรรมคาสอนแล้วให้พวกลูกหลานเอามือกายหน้าผาคิดดูสิ มันจริงไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ทํากรรมดีจะได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ได้ดีทําสิ่งที่ดีจะได้รับผลดีต่อไปอนาคตก็เหมือนกันเมื่อเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะตั้งตนสร้างแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่บุญกุศลในขณะนี้เดี๋ยวนี้อนาคตของเราก็จะ ราบรื่นสดใสเพราะอะไรเพราะเราทำแต่กรรมดีทำสิ่งแต่ที่ดีเราไม่ทำความชั่วเสียหายต่อชาติบ้านเมืองต่อใครๆทั้งหมดเราไม่แต่คิดดีทำดีพูดดีเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วนั่นแหละความดีนั่นจะสนองเราปวดในสุดเมื่อดีดีขนาดไหนหลวงพ่อนะ่ดีกระทั่งดูใจของตนเอง ชำระใจคนตนเองให้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาพระรหันอันนั้นเดี๋วันดีเลิศแต่ว่าจะทําอย่างนั้นได้ยังไงต้องศึกษาล่ะท่นเนี่อวิถยาวิชาทุกแขนงเราต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องใส่ใจถ้าเราศึกษาเรียนรู้ใส่ใจแล้วนั่นละ่ะเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองขอฝากไว้กับคณะ สัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศคือวันแรงงานแห่งชาติหลวงพ่อก็ได้พูดให้ลูกหลานได้ฟังแรงงานคำว่าชาติคานีนะ้ทำยังไงให้คนงานคนในชาติให้รู้จกักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้ไปจักประหยัดให้จุกรู้จักการวางแผนชีวิตของเราให้ใช้ติให้ใช้ปัญญา ให้ใช้ความเพียรให้ใช้ความรอบครอบเนะสรุปแล้วนะสรุปแล้วคือคิดดีทำดีพูดดีนะอัลลอ่อนนะท่นเอนะ